บทั้งหมดนะของเราชาวพุทธเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็มุ่งให้เห็นความจริงนะความจริงในโลกและจั ก, กรวาลนี้มีเยอะมากนะนะแต่ว่าที่สำคัญสำคัญเนี่ยมีไม่มากนะอย่างที่พูุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับใบไม้ในก ร, ร ม, มือนะเมื่อเทียบกับไม้ในป่าไม้ในป่านี่เยอะแยะ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 อย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยอนัตตลกนัสสูตรเนี่ยนะก็คือแกนหรือหัวใจของสัจธรรมนะที่เราควรจะรู้จักแล้วก็สามารถจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งอย่างที่บอกสักครู่นะว่าการปฏิบัติทั้งหมดของเราชาวพุทธก็คือการเห็นความจรงิงเห็นพัตไตรลักษณนะ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 วางคาชมคาวิพากษ์วิจารณ์จิตเราจะเป็นสมาธิมากนะแล้วก็เรื่องยากยาก็กลายเป็นเรื่องง่ายมันมีนักปีนเขาคนหนึ่งนะนะชูบลูสคิร์กบีเนะี่ยเคยผ่านการปีนเขาที่สูงที่สุดในทุกทกวีปมาและรวมนักเอเวอเรสต์ด้วยเนะี่ย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 อันนี้เราจัจทร์ชุนเรยียกทาด้วยจิตปล่อยวางเนะี่ยขนหินด้วยจิตปล่อยวางก็ทําได้นานและใจก็ไม่ทุกข์ส่วนลูกศิษย์นี่ทําไปก็บ่นไปในใจเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหนักห้วยหนักหวยอันนี้ทําด้วยจิตติดยึดนะไอ้ควาปล่อยวางนี่ยจริงๆเนี่ยมันมันมีตั้งแต่ระดับ ง, ง่ายง่นะคือปล่อยวางผลลัพธ์ปล่อยวางเป้าหมายจิตอยู่กับปัจจุบัน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 หรืออาคารแต่ละอาคารเนี่ยใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างเสร็จเมื่อจะไปลงหมอศพทางวิญญาณรวมทั้งอาคารที่เรียกว่าธรรมนาวานะรูปร่างคล้ายเรือเอาไว้เป็นที่เก็บน้ำน้ำฝนแล้วก็ในอาคารก็เป็นที่ที่ทาวัดศพมื่อเวลาฝนตกใช้เวลาหลายปีกว่าเสร็จตอนที่สร้างไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาถามหายไปนานนะหายไปหลายเดือน ก็มาถามด้าเจ้าพุทธาว่าเรือสร้างเสร็จหรือยังสัานจารย์บอกว่าเสร็จแล้วแกก็ดีใจแต่อีกด้านนึงก็แปลกใจเมือ่อสองสาเดือนก่อนเราเรามาสนมงเนี่ยมันเพิ่งสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวทำไมเสร็จแล้วอย่างนี้พอไปดูที่เรือก็บอกว่ายัางสร้างนะไปได้ไม่ถึงไหนก็เลยกลับมาถามหลวงท้าเจ้าพุทธาว่าท่านอาจารย์